สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลนะครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เรากลับมาอยู่ใน20กฎทองคากฎข้อที่8ครับกฎข้อที่8นั้นเป็นกฎที่สําคัญเพราะเนื่องจากว่าเป็นกฎแห่งการเป็นผู้นําครับทุกคนนั้นสามารถเป็นผู้นําได้แต่เราต้องมีความเข้าใจครับว่าหนทางของการเป็นผู้นํานั้นคืออะไรภาษาจีนมีคํากล่าวว่าปีนต้นไม้หาปลา เปรียบเทีย บ, ยบแนวทางหรวิธีการที่ไม่ถูกต้องย่อมไม่ได้สิ่งที่คาดหวังไว้พี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราปีนต้นไม้หาปลาหนทางที่ไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถเป็นผู้นําฝ่ายจิตวิญญาณได้พี่น้องครับพระกัมพีกล่าวว่าอย่างไรครับในการเป็นผู้นํากฎแห่งการเป็นผู้นําข้อที่1ครับปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่ยี่สิข้อที่26ถึงข้อที่28โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า แต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใครจะเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปนิบัติท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดใครจะเป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นท่าสมัครของพวกท่านอย่างที่บุตรมนุษย์มามิได้มาเพื่อรับการปนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นข้าไถยคนเป็นอันมาก พี่นนท์ครับกฎแห่งการเป็นผู้นํากฎแรกก็คือผู้นํานั้นเป็นทาสผู้นํานั้นเป็นทาสที่เรียกว่าทาสสมัครครับผู้นําฝ่ายจิมญานที่แท้จริงนั้นจะต้องเป็นทาสสมัครก็คือว่าเป็นความสมัครใจโดยความสมัครใจยอมที่จะเป็นผู้ที่รับใช้โดยความสมัครใจยอมที่จะเป็นผู้ที่ปรนิบัติคนอื่นยอมสมัครใจด้วยความสมัครใจที่จะเป็นทาส เขาเรียกว่าธาตุสมัครครับผู้นำฝ่ยายยืนยันที่แท้จริงนั้นต้องเป็นผู้ปฏิบัติคนอื่นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางแบบอย่างที่ดีไว้ให้กับพวกเราสาวกของพระเยซูแย่งกันว่าใครจะเป็นใหญ่ตอนที่พระเยซูใกล้จะถูกตึงแมงเขียนไม่เพียงแต่เท่านั้นครับยังใช้เส้นด้วยคือเอาคุณแม่มาแล้วก็บอกกับพระเยซูว่าเรามีลูกสองคนคนหนึ่ง ขออยู่ทางข้างขวาได้ไหมอีกคนหนึ่งขออยู่ทา ง, ทางด้านซ้ายได้ไหมพี่น้องครับการรับใช้ที่ผู้รับใช้ต้องการเกียรติแสดงว่าผู้รับใช้นั้นไม่ใช่เป็นผู้รับใช้แท้แต่ผู้รับใช้ที่แท้จริงนั้นต้องถ่อมใจในเวลาเดียวกันครับต้องยอมสะละสละสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ต้องได้สิ่งที่อยากได้สิ่งที่ คิดว่ามันจำเป็นสะละออกไปครับเพื่อที่จะมีจิตใจที่เป็นธาตุสมัครรับใช้คนทั้งหลายสาวกของพระเยซูนั้นทะเลาะวิวาดกันอย่างน้อยถึงสามครั้งด้วยกันความเข้าใจทางด้านจิตวิ ญ, ญญาณแห่งการรับใช้หรือการเป็นผู้นำนั้นเฉื่อยช้ามากแท้จริงพี่น้องครับเราเองก็เฉื่อยช้ามากเหมือนกันเราต้องการให้พระเจ้า เตืนสติพวกเราครั้งแล้วครั้งเล่าครับที่พระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่าผู้ครอบครองคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาและผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อํานาจบังคับนี่คือความเห็นความเข้าใจทั่วไปของการบริหารจัดการการเป็นผู้นําครับใครมีอํานาจใครเป็นผู้นําใครมีตําแหน่งสูงก็เป็นหัวหน้า แต่สำหรับกฎเกณฑ์ของพระเจ้าหลักการของพระเจ้าแล้วองค์ผู้วิญ้าตรัสว่าในท่ามกลางท่านทั้งหลายอย่าให้เป็นอย่างนั้นนี่เป็นการพลริกคสวนกระแสจริงๆสวนกระแสกับวิธีการบริหารแบบโลกในท่ามกลางท่านทั้งหลายนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าโลกใช้คำว่าครอบครองมีอำนาจเหนือ และใช้อำนาจนั้นบังครับบังครั บ, บ, รบพี่น้องครับเราต้องให้องค์พระบุญเจ้าแก้ทัศนติของเราในเรื่องความเป็นผู้นำเราควรมีจิตใจยอมรับและเป็นผู้ที่รับใช้เป็นผู้นิพนธ์บัติคนอื่นถามว่ายากไหมครับยากครับหลายหลครั้งทีเดียวเรามักจะใช้ผู้นำฝ่ายโลกมาเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิ ญ, ญญาณ ใช้ผู้ที่ประสบความสำเร็จฝ่ายโลกก็มาเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณและก็ทึกทักเอาเมาเอาว่าเขาจะเป็นผู้นำที่ดีได้ในพระธรรมมัทธิวบทที่20่ข้อ28ครับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราทำไมเราจึงต้องยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทำไมต้องยอมจำนนตต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสนิทใจ และไม่แปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซูองค์ผู้เ็นเจ้าของเรานั้นเป็นพระองค์ที่เสด็จมาในโลกเป็นพระเจ้าที่เสด็จมาในโลกไม่ใช่เพื่อที่จะรับการโปรณิบัติแต่เพื่อที่จะเป็นผู้โปรณิบัติคนอื่นในพระธรรมอิสยาห์บทที่9ข้อที่หครับก็ยืนยันความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูว่าพระองค์นั้นเป็นผู้รับใช้หรือเรียกว่าเซิร์ฟเว เซิร์ฟเว่นลีเดอร์องค์พระเยซูปเป็นองค์สันติราชแต่พอมาถึงบทที่49 5. ก็ห้ากลับกล่าวว่าพระองค์เป็นผู้รับใช้พระนามของพระองค์คือผู้รับใช้พี่น้องครับไม่ว่ายศถาบรรดาศักดิ์ของเราจะสูงแค่ไหนไม่ว่าความสำเร็จในโลกภายนอกนั้นเราจะมากแค่ไหนแต่ข้างหน้าเรานั้นต้องเพิ่มคำว่าผู้รับใช้ทาาสมัคร พี่น้องครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับประธานาธิบดีของสหรัฐนั้นเขาเรียกว่าเป็นพับลิกเซ r ร์ n เว่นอินชฟก็คือว่าเป็นหัวหน้าของประชาชนนั่นเองพี่น้องครับพับลิกเซ r ร์ n เว่นออฟเดอะพีเพิลก็คือตำแหน่งประธานาธิบดีครับที่ได้รับการเลือกตั้ง คนไทยเรานั้นแปลว่าค่าราชการครับแต่ผมก็ชอบคํานี้เพราะว่าค่าราชการนั้นก็คือเป็นค่าของพระเจ้าอยู่หัวทําการของพระเจ้าอยู่หัวรับใช้ประชาชนครับพินนท์คับค่าราชการนั้นคือผู้ที่รับใช้ประชาชนนั่นคือความคิดและคําที่ดีมากๆครับแต่ในภาคปฏิบัตินั้นมันคนละเรื่องกันเพราะอะไรครับเพราะว่าคําว่า เจ้าคนไหนคนเจ้าขุนมูลนายนั้นมันประทับอยู่ในคอนเซปต์ความคิดของคนไทยเราเสมอเลียนสูนสูงจะได้เป็นเจ้าคนไหนคนไปไหนมาไหนคนจะยกมือไหว้เราก่อนเช่นเดียวกับนักการเมืองจอมปลอมครับในฤดูหาเสียงก็ยกมือไหว้ไปทั่วแต่เมื่อหาเสียงเสร็จแล้วประชาชนเดือดร้อนมาหา ไม่รู้จักหรอกครับพี่ครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกแต่ว่าในแผ่นดินสวรรค์นั้นในคริสตจักรนั้นผู้นําจะต้องเป็นผู้ที่รับใช้คนอื่นเหมือนหนังที่พระเยซูทรงเป็นผู้นําแบบผู้รับใช้นั่นคือจิตวิญญาณของคริสตจักรครับผู้นําต้องมาคลุกวงในผู้นําต้องรู้จักแกะของตัวเองและ มีจิตใจรักแกะห่วงใยแกะดูแลแกะยินดีที่จะสละชีวิตเพื่อแกะสละความสะดวกสบายเพื่อแกะท่านศา ส, สนาจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นท่านได้เขียนอย่างนี้ครับว่าในปีหนึ่งพันเกรเจ็ดิบหกมีการประชุมผู้นำเครือจักรของภาคพื้นเอเชียที่สิงคโปร์ในพิธีเปิดนั้นมีศาสนาจารย์จากเกาหลีพูดกลางที่ประชุมเสนอขอให้เปลี่ยนชื่อของการประชุมครั้งนี้ขออย่าใช้ชื่อ การประชุมสัมน า, าของคดจักภาคพื้นเอเชียหรือการประชุมสัมน า, าของผู้นำคดจักแต่ขอใช้ชื่อว่าการประชุมของพวกผู้รับใช้ที่ประชุมนั้นก็ตบมือเห็นดีด้วยพี่น้องครับชื่ออะไรก็ไม่สำคัญเราอาจจะใช้ผู้นำชื่อผู้นำได้แต่ทัศนคติข้างในครับในการเป็นผู้รับใช้ก็สาคัญยิ่งกว่าทัศนคติหรือตัวตนจริงๆ ที่อยู่ข้างในของผู้รับใช้นั้นสำคัญกว่าสาคัญกว่าว่าจะเรียกอย่างไรพี่น้องครับเราอาจจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างครับนำหน้าชื่อของเราแต่ว่าสำหรับพระเยซูแล้วไม่มีอะไรนำหน้าครับมีแต่คำว่าผู้รับใช้หรือทาาสมัครขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นี้ด้วย คอนเซปต์ Concept, แนวคิดที่ว่าเราเองนั้นจะต้องเป็นท่าสมัครไม่ว่าเราจะทำงานในสาขาวิชาชีพใดก็แล้วแต่ขอให้เรานั้นเป็นท่าสมัครเป็นผู้รับใช้ผู้ปฏิบัติครับอาเมน